อาจารย์เสนกะได้ฟังตรัสถามจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าทรงวิตกเลยคบเพลิงมากเหลือเกินปรากฏอยู่ช่อรอยพระเจ้าจุลนีจะพาพระราชธิดามาถวายพระองค์ฝ่ายอาจารย์ปุกะกุสะกราบทูลว่าพระเจ้าจุลณีจกทรงอารกขาเพื่อทรงทำอาคันตุกะสักการะแด่พระองค์ บัณฑิต ท, ทั้งสี่เหล่านั้นชอบใจอย่างใดก็กราบทูลอย่างนั้นด้วยประการชนีปายพระเจ้าวิเทหราชเมื่อได้ทรงสดับเสียงคนในกองทัพบอกสั่งกันว่าเสนาทั้งหลายจงตั้งอยู่ในที่โน้นท่านทั้งหลายจงรักษาในที่โน้นอย่าประมาทและทอดพระเนตรเห็นเสนาผูกสอดเกราะก็เป็นผู้อันมรณะภัยคุกคาม เมื่อทรงหวังสดับถ้อยคําแห่งพระมหาสัตว์จึงตรัสคาถานอกนี้ว่ากองช้างกองม้ากองรถกองราบอันเป็นกองทัพสวมเกราะตั้งอยู่จุดคบเพลิงสว่างสวยัยแหน่มโหสถบัณฑิตพวกนั้นจะทําอะไรกันหนอบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าแหน่มโหสถบัณฑิตพวกนั้นจะทําอะไรกันหนอกินนุ กาหันติปันดิตะความว่าพ่อบันดิตเจ้าคิดอย่างไรเนอเสนาเหล่านั้นจะ ก, กระทำอะไรแก่พวกเราพระมหาสัตว์ได้ฟังพระราชดำรัสดังนั้นจึงคิดในใจว่าเราจะทำพระราชาผู้โง่เขานี้ให้สะดุ้งสักหน่อยภายหลังจึงแสดงกำลังปัญญาของเราให้ปรากฏทำให้พระองค์เบาพระหฤทัย คิดชนีแล้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตมีกําลังมากล้อมพระองค์ไว้ประทุสร้ายพระองค์รุ่งเช้าจักปลงพระชนพระองค์คนเหล่านั้นทั้งหมดมีพระเจ้าวิเทหราชเป็นต้นได้ฟังเรื่องนั้นก็ตกใจกลัวตายพระราชาพระโสแห้งพระเขละไม่มีในพระโอษฐ เกิดเร่าร้อนในพระสรีระพระองค์ทรงกลัวต่อมรณะภัยคร่ำครวญตรัดคาถาสองคาถาว่าใจของข้าสั่นและปากก็แห้งผากเราเป็นเหมือนถูกไฟไหม้กลางแดดไม่บรรลุถึงความเย็นใจเตาของช่างเหล็กเผาไหม้ภายในไม่เผาไหม้ภายนอกฉันใดใจของเราย่อมเร่าร้อนอยู่ภายในไม่ปรากฏภายนอกฉันนั้น บรรดาคาเหล่านั้นคําว่าสันอุเพทติความว่าแน่พ่อมโหสถใจของข้าย่อมหวั่นไหวราวกับ ว, ว่าใบอ่อนของต้นโพต้องลมใหญ่ฉะนั้นข้อว่าย่อมเร่าร้อนอยู่ภายในไม่ปรากฏภายนอกอันโตยายติโนพหิความว่าพระเจ้าวิเทหราชทรงคร่งครวญว่า หัวใจของเราย่อมเร่าร้อนอยู่ในภายในแต่ไม่ปรากฏในภายนอกราวกับเตาของช่างเหล็กนั้นพระมหาศัตวย์ได้ฟังพระเจ้าวิเทหราชทรงคร่ำครวญคิดว่าพระราชานี้เป็นผู้โง่เขลาไม่ทำตามคำของเราในวันอื่นๆเราจะข่มพระองค์ให้ยิ่งขึ้นจึงทูลว่าข้าแต่บรมมกษัตริย์ พระองค์เป็นผู้ประมาทแล้วละเลยคำแนะนำทำลายคำแนะนำบัดนี้บัณฑิตทั้งสี่ผู้มีความคิดจงป้องกันพระองค์เถิดพระองค์ไม่ทรงทำตามคำของข้าพระองค์ผู้เป็นอารรมใครประโยชน์สแสวงหาความเกื้อกูลทรงยินดีแล้วด้วยพระปีติของพระองค์จึงเป็นดุจมรึกตกหลุมฉะนั้นปลาอยากกินของสดคือเหยื่อ ย่อมเกลือนเบ็ดอันงอซึ่งปิดไว้ด้วยเนื้ออันเป็นเหยื่อมันย่อมไม่รู้ความตายของตนฉันใดข้าแต่พระราชาพระองค์เป็นผู้มีความปรารถนาในกามย่อมไม่ทรงทราบ พ, พระราชธิดาของพระเจ้าจุลณีผู้เป็นดุจเหยื่อราวกับปลาไม่รู้จักเหยื่อคือความตายของตนฉันนั้นนั่นเทียวถ้าพระองค์เสด็จนครปัญจาละ จักต้องสละพระองค์ทันทีภัยใหญ่จักถึงพระองค์ดุจภัยมาถึงมรึดตัวตามไปถึงทางประตูบ้านฉะนั้นข้าแต่พระจอมประชากรบุรุษผู้ไม่ประเสริฐเป็นเหมือนงูอยู่ในพกพึงกัดเอาผู้มีปัญญาไม่พึงทาไมตรีกับบุรุษเช่นนั้นเพราะการคบบุรุษชั่วเป็นทุกข์โดยแท้ข้าแต่พระจอมประชากร บุรุษผู้มีศีลเป็นพหูสูตรนี้พึงรู้คุณแห่งไมตรีใดผู้มีปัญญาพึงทำไมตรีนั้นกับบุรุษนั้นนั่นเทียวเพราะการคบสัตบุรุษทั้งหลายเป็นสุขโดยแท้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าผู้ประมาทแล้วปะมัตโตความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์เป็นผู้ประมาทเพราะความใคร่ คำว่าละเลยคำแนะนำมันตนาตีโตความว่าเป็นผู้ก้าวล่วงความคิดที่ข้าพระองค์เห็นภายในอนาคตคิดกําหนดตัดด้วยปัญญาคำว่าทำลายคำแนะนำพินนมัมโตความว่าเป็นผู้มีความคิดทำลายเสียแล้วคือความคิดใดที่พระองค์ทรงยึดถือร่วมกับอาจารย์เสนกะเป็นต้น ความคิดนั้นทำลายแล้วจึงชื่อว่าเป็นผู้มีความคิดทำลายเสียแล้วเพราะเป็นผู้ก้าวล่วงความคิดนั่นแหลคคำว่าบัณฑิตปัิตตาความว่ามโหสดแสดงว่าอาจารย์สี่คนมีเศนกะเป็นต้นเหล่านี้จงรักษาพระองค์ในบัดนี้เถิดข้าพระองค์เห็นกำลังของอาจารย์เหล่านั้นคำว่าไม่ทรงรม ผู้เป็นอมตอากตวามัจจจสรรคความว่าไม่ทรงทำตามคําของข้าพระองค์ผู้เป็นอมตสูงสุดคําว่าทรงยินดีแล้วด้วยพระปีติของพระองค์อัตตปีติระโตความว่าเป็นผู้ทรงยินดียิ่งแล้วด้วยพระปีติอันเศร้าหมองของพระองค์ข้อว่าจึงเป็นดุดมรึกตกหลุมฉะนั้น มิโคกูเตวะโอหะโตความว่ามารึกมาด้วยความโลภเยื่อติดอยู่ในบ่วงหลุมฉันใดพระองค์ไม่ทรงเชื่อคําของข้าพระองค์เระด็จมาด้วยความโลภว่าจะได้พระราชธิดาปัญจาละจันทีบัดนี้จึงทรงเป็นเหมือนมรึกที่ติดในบ่วงหลุมฉันนั้นสองคาถาว่าปลาฉันใด ยถาปิมัตโฉเป็นต้นมโหสถบัณฑิตกล่าวเพื่อแสดงว่าอุปมานี้ข้าพระองค์นำมาแล้วในการนั้นแม้ข้าถาว่าถ้าพระองค์เสด็จสะเจคัตชสิเป็นต้นมโหสถบัณฑิตก็กล่าวเพื่อแสดงว่าข้าพระองค์นำอุปมาแม้นี้ถวายพระองค์ม่ใช่เพียงเท่านี้อย่างเดียวเท่านั้น คำว่าผู้ไม่ประเสริฐอนริยกรุปโปได้แก่บุรุษผู้ไร้ความละอายมีชาติของคนชั่วเช่นพรามเกวัตตะคำว่าไม่พึงทำมตรีกับบุรุษเช่นนั้นนะเตนะเมติงความว่าพระองค์ไม่ควรทำมิทธธรรมกับคนเช่นนั้นแต่พระองค์ทรงมีเมตตาพรามเกวัตตะถือคำของเขา คำว่าเป็นทุกข์ทุกโขความว่าขึ้นชื่อว่าการสมาคมกับคนเห็นปานนี้ทําครั้งเดียวก็เป็นทุกข์เพราะนําทุกข์ใหญ่มาทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าคําว่ายังเตววะตัดคําเป็นยังตุเอวะอีกอย่างหนึ่งปาถะก็อย่างนี้แหละคําว่าเป็นสุขสุโ ข, ขความว่า เป็นสุขทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าทีเดียวลำดับนั้นมโหสดขมพระเจ้าวิเทหราชยิ่งขึ้นด้วยหวังว่าพระองค์จะไม่ทรงทรรมอย่างนี้อีก mm. เมื่อจะนำพระดำรัสที่ตรัสไว้ในการก่อนมาแสดงจึงทูลว่าถ้าแต่พระราชาพระองค์เป็นคนเขาวบ้าน้้ำลายที่กล่าวถึงเหตุแห่งการได้รัตนสูงสุดในสานักข้าพระองค์ ข้าพระองค์เจริญด้วยหางไถจะรู้จักความเจริญเหมือนคนอื่นเขาได้อย่างไรท่านทั้งหลายจงใส่คอมโหสถนี้ให้หายไปเสียจากแว่นแคว้นของเราเพราะเขาพูดเป็นอันตรายแก่การได้รัตนะของเราครั้นมโหสดกล่าวคาถาสองคาถานี้แล้วจึงกล่าวข่มอย่างนี้ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าข้าพระองค์เป็นบุตรคฤหบดี จักรู้จากความเจริญเหมือนคนอื่นๆมีเสนกะเป็นต้นผู้เป็นบัณฑิตของพระองค์ซึ่งรู้ความเจริญฉชนนั้นได้อย่างไรวาทะนั้นไม่ใช่โคจรของข้าพระองค์ข้าพระองค์รู้ศิลปะแห่งคฤหบดีแท้ข้อความนี้ปรากฏแก่เสนกะเป็นต้นคนเหล่านั้นเป็นบัณฑิตวันนี้พระองค์ถูกกองทัพสิบแปดอคโคพินีล้อมไว้ คนทั้งหลายมีเสนกะเป็นต้นจงเป็นที่พึ่งของพระองค์ก็พระองค์รับสั่งให้สคอข้าพระองค์ฉุดออกไปเสียบัดนี้พระองค์ตรัสถามข้าพระองค์ทำไมพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงสดับดังนั้นทรงดำริว่ามโหสถบัณฑิตกล่าวโทษที่เราทำไว้เท่านั้นเพราะเขารู้ภายในอนาคตนี้มาก่อนนั่นเอง เพราะเหตุนั้นเขาจึงกล่าวข่มเราเหลือเกินแต่เขาก็ไม่หยุดงานตลอดการเท่านี้เลยมโหสถนี้จะทำความสวัสดีแก่เราแน่แท้ลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชเมื่อจะยึดมโหสถเป็นที่พำนักจึงตรัสคาถาสองคาถาว่าแน่ αι, มโหสถบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ทิมแทงเพราะโทษที่ล่วงไปแล้ว เจ้ามาทิมแทงข้าดุดม้าที่เขาผูกไว้ด้วยปตักทำไมถ้าเห็นว่าเราจะพ้นภัยได้หรือเห็นว่าเราจะปลอดภัยได้ก็จงสั่งสอนเราด้ดยความสวัสดีนั่นแหละเจ้าจะทิมแทงเราเพราะโทษที่ล่วงไปแล้วทำไมบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าย่อมไม่ทิมแทงนานุวิชันติความว่า บรณดิตทั้งหลายย่อมไม่ถือเอาโทษที่ล่วงไปแล้วมาทิ้มแทงกันด้วยหอกคือปากคำว่าดุดมะที่เขาผูกไว้อัดสังวะสัมพันธ์ทางความว่าเจ้าทิ้มแทงเราเรากะมะที่เขาผูกไว้อย่างดีเพราะถูกเสนาฆ่าสึกล้อมไว้ทำไมคำว่าเราโดยสวัสดีนั่นแหละเตเนวะมังความว่า เจ้าจงสั่งสอนเราคือจงให้เราสบายใจด้วยความสวัสดีนั้นว่าพระองค์จักคนภัยด้วยอาการอย่างนี้พระองค์จักปลอดภัยด้วยอาการอย่างนี้ด้วยว่าเว้นเจ้าเสียแล้วคนอื่นเป็นที่พึ่งอาศัยของเราไม่มีลำดับนั้นพระมหาสัตดําริว่าพระราชาองค์นี้เป็นผู้โง่เขลาเหลือเกินไม่รู้จักบุรุษวิเศษ เราจะให้พระองค์ลำบากเสียหน่อยหนึ่งแล้วจักเป็นที่พึ่งของพระองค์ภายหลังดำริชนีแล้วทูลว่าถ้าแต่บร ม, มกษัตริย์กรรมของมนุษย์ที่ผ่านไปแล้วทำได้ยากทำให้มีได้ยากข้าพระองค์ไม่สามารถจะปลดเปลื้องพระองค์ได้ขอพระองค์ทรงทราบเองเถิดช้างมา้านกยักษ์ผู้มีฤทธิ์มียศ สามารถไปได้ทางอากาศมีอยู่ช้างเป็นต้นที่มีอิทธานุภาพเห็นปานนั้นที่พระองค์มีอยู่แม้เหล่านั้นพึงพาพระองค์ไปได้ถ้าแต่บรมมกษัตริย์กรรมของมนุษย์ที่ผ่านไปแล้วทำได้ยากทำให้มีได้ยากข้าพระองค์ไม่สามารถจะปลดเปลื้องพระองค์โดยทางอากาศได้บรรดาคำเหล่านั้นคำว่ากรรมกรรมัง ความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้ากำชื่อว่าปลดเปลื้องพระองค์จากภัยนี้ที่เรามนุษย์ซึ่งเป็นมนุษย์ในอดีตพึงทำนี้ชื่อว่าเป็นไปล่วงแล้วคําว่าทําได้ยากทําให้มีได้ยากทุกกระรังธุระพิสัมภวังความว่าอันใครใครไม่อาจแก้ไขไม่อาจต่อสู้คําว่าไม่สามารถ พระองค์ได้ณนะตังสักโกมิความว่าข้าพระองค์ไม่สามารถจะปลดเปลื้องพระองค์จากภัยนี้ข้อว่าข้าแต่บรมมกษัตริย์ขอพระองค์จงทราบเองเถิดตวังประชนสุ ข, ขติยะความว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าขอพระองค์จงทรงทราบสิ่งที่ควรกระทำในเรื่องนี้เองเถิด คำว่าทางอากาศเวหายะสาได้แก่ช้างที่สามารถไปทางอากาศคำว่าใดยัตสะได้แก่พระราชาพระองค์ใดคำว่ามีอิทธานุภาพเห็นปานนั้นตถาวิทาความว่าช้างทั้งหลายที่เกิดในตระกูลฉัตทันหรือตระกูลอุโบสถมีอยู่ ช้างเหล่านั้นพึงพาพระราชานั้นไปคำว่าม้าอัศาความว่าม้าทั้งหลายที่เกิดในตระกูลพญาม้าพลาหกคำว่านกปักอีกล่าวหมายเอาคลุดคำว่ายักษ์ยักษ์ขอได้แก่เหล่ายักษ์มีสาตาคิระยักษ์เป็นต้นคำว่าทางอากาศอันตรลิกเคนะ ความว่าข้าพระองค์ไม่สามารถจะปลดเปลื้องพระองค์โดยทางอากาศคือไม่สามารถจะพาพระองค์นำไปถึงกรุงมิทิลาทางอากาศได้พระเจ้าวิเทหราชทรงสดับคำของมโหสถ ด, ดังนั้นก็จำนวนประทับนั่งอยู่ลำดับนั้นอาจารย์เสนกะคิดว่าบัดนี้ยกมโหสถบัณฑิตเสีย ที่เพื่งองื่นของพระราชาและของพวกเราไม่มีก็พระราชาทรงฟังคำของมโหสถทรงคร่นครามต่อมรณะภัยไม่ทรงสามารถจะตรัดอะไรอะไรได้เราจักอ้อนวอนมโหสถบัณฑิตให้ช่วยเมื่อเสนกะจะอ้อนวอนได้กล่าวคาถาสองคาถาว่าบุรุษผู้ยังไม่เห็นฝั่งในมหาสมุทรได้ที่พมนักในสถานที่ใด เขาย่อมได้ความสุขในสถานที่นั้นฉันใดท่านมโหสถขอท่านได้เป็นที่พึ่งของพวกเราและของพระราชาฉันนั้นท่านเป็นผู้ประเสริฐสุดกว่าพวกข้าพเจ้าเหล่ามนตรีขอท่านช่วยปลดเปลื้องพวกเราจากทุกเถิดบรรดาคาเหล่านั้นคําว่าไม่เห็นฝั่งอติระทัตสีความว่า ผู้เรือแตกกลางทะเลเมื่อไม่เห็นฝั่งคำว่าในสถานที่ใดยัตถะความว่าเมื่อถูกกำลังคลื่นซัดลอยไปได้ที่พึ่งในประเทศใดคำว่าปลดเปลื้องปะโมจยะความว่าอาจารย์เสนกะอ้นวอนว่าเมื่อก่อนคราวกองทัพตั้งล้อมกรุงมิถิลาท่านได้ปลดเปลื้องพวกเราให้พ้นภยัย แม่บัดนี้ก็ท่านนี่แหละจงช่วยปลดเปลื้องพวกเราให้พ้นจากทุกข์ลำดับนั้นพระมหสัตว์เมื่อจะขมอาจารย์เสนกะจึงได้กล่าวด้วยคาถาว่าท่านอาจารย์เสนกะกรรมของมนุษย์ที่ผ่านไปแล้วทําได้ยากทําให้มีได้ยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะปลดเปลื้องท่านได้ขอท่านจงทราบเอาเองเถิดบรรดาคําเหล่านั้น คำว่าท่านอาจารย์เสน ก, กะท่านจงทราบเอาเองเถิดตวังประชานสุเสน ก, กะความว่าท่านอาจารย์เสน ก, กะข้าพเจ้าไม่สามารถท่านจงนําพระราชานี้สู่กรุงมิถิลาทางอากาศเถิด